สวัสดีครับท่านผู้ฟังกับผมนัทพงศ์กนกวิรุณ น, นะครับวันนี้รายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์นะครับก็ดำเนินรายการร่วมกับพระอาจารย์ไพบูณอภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหนยโศกกราบนมัสการท่านครับจริพรคราวนี้เป็นอตอนที่4ครับอพิโซดที่4ของเพียวธรรมะภาคออนไลน์ภาคออนไลน์ครับซึ่งเราก็จะทาไป ท, ทุกๆอ่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 ต่อจากคราวที่แล้วนะครับซึ่งเราพูดถึงอริยมรตมีองค์เราได้กล่าวไปแล้วสององนะครับก็คือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะใช่ในวันนี้จะมาต่อมรตองค์ที่3ม<ช>นะครับ<ช>คือสัมมาวาจาสัมมาวาจาครับสัมมาวาจาข้อใหญ่ใจความครับท่านตรงตรงตรงนี้เราต้องให้ทราบนะว่าถ้าเราเรียงไล่ไปเรื่อยๆยออมีท่านผู้ฟังรายการวิทยุนเนี่ยมาเคยถามอาจมาว่าเอ๊ะมรตเนี่ยนะ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 แตกฉานเราก็อธิบายในลักษณะนี้เนี่ยเพราะว่าพระองค์เนี่ยคือ น, นี้อาตมาความเข้าใจของอาตมานะครับว่าคือพระองค์เนี่ยเปรีย บ, เ, ยบเหมือนการเปรียบการบรรลือเปรียบการแสดงธรรมของพระองค์เนี่ยเหมือนสีหนาบรรลือสีหนาเหมือนกับสีห์เวลาไปาหาเหยื่อเนี่ยไปหาอาหารกินเนี่ยเวลาตะกุบเหยื่อเนี่ยต้องทีเดียวตายครับไม่ใช่มาทีที่สองทีที่สามเสียเหลี่ยมราชเสียเหลี่ยมกัดทีเดียวต้องตายครับ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 ซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้เวลาที่เวลาพระองค์อธิบายธรรมะเนี่ยมันต้องครบถ้วนทุกประเด็นครับจึงจึงจึงต้องมีการอธิบายในลักษณะของเป็นลําดับแล้วเรื่องของการสื่อสารด้วยเสียงเนี่ยมันก็ต้องเป็นลำดับลำดับหนึ่งต้องมาก่อน2อสาต้องมาหลังสองสต้องมาก่อน4อย่างเงี้ยเพราะมันไม่ใช่ออกมาทีเดียวเด้ยวร์ัวเดียวมันต้องเป็นลําดับลาดับเพราะนั้นจึงจึงเป็นลักษณะของการสื่อสารอย่างเงี้ยตัวสัมมาวาจาจะมีคุณลักษณะ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 คืออะไรรู้บอกว่าไม่รู้เห็นบอกว่าไม่เห็นได้ยินบอกไม่ได้ยินนะรู้สึกบอกไม่รู้สึกอย่างเงี้ยโดยเนืยะตรงข้ามด้วยไม่รู้สึกบอกได้รู้สึกไม่เห็นบอกว่าเห็นอย่างเงี้ยนะพวกนี้คือการโกหกหมดนี่คือนี่คือมิจฉาวรรจาข้อที่หนึ่งคือคุณรับจากตรงนี้นะก็ก็ดีทีนี้เรื่องของการโกหกเนี่ยแม่มีรายละเอียดมากใช่คร่ะในทางปฏิบัติบางทีจะ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 เอาละสำนักโคดมฉันจะมาฆ่าเธอครับผู้รู้จักก็บอกว่าโอ้งั้นก่อนฆ่าฟังธรรมสัก่อนครับพอฟังธรรมเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นนักฆ่าคนนั้นเปลี่ยนใจไหมข้า<อ>เกิดเลื่มนสายัทธาคือเห็นธรรมขึ้นมาล้มีดวงตาเห็นธรรมแล้วไม่ฆ่าแล้วก็เลยงั้นจะขอกลับ<ม>ขอเป็นอขอพระพุทธพระธรรมประสงค์เป็นสนนนะละจะขอกลับผู้รู้จักบอกว่าะเธอให้เดินไปทางนี้อย่าเดินกลับไปทางเก่าให้เดินไปทางนี้แล้วตัวพระเจ้าเองก็ย้ายมานั่งอีกที่หนึ่ง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 เออเป็นกุศลไม่มีการเบียดเบียนใค ร, ใ ช, ครใช่ไหมเอาเอเธออย่าเพิ่งไปฟังธรรมก่อนนะนักฆ่าสองคนนั้นก็ฟังธรรมฟังธรรมเสร็จแล้วก็มีดวงตาเห็นธรรมน ะ, ะถึงพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าบอกอังงั้นไปได้อาตอยะไปทางเดิมนะไปทางนี้เห็นทางไปพระพุทธเจ้าก็ย้ายมานั่งอีกที่หนึง่ง<อ>นักฆ่าอีกสี่คนมาครับก็เจออีกเจออีกถา่ว่าเอ๊ะนักฆ่าสองคนนั้นไปไหนพระพุทธเจ้าก็บอกตั้งแต่มานั่งตรงนี้ยังไม่เห็นใครมาอืครับก็เลย เอางั้นจะเพิ่งไปเธอมาฟังทำก่อนอย่างนี้นะไล่ไปแผนของเทวราชไม่สําเร็จรนักฆ่านั้นก็ได้ดวงตายิ่งต่ำไม่มีใครถูกเบียนเบี่ยนใครพระเจ้าก็ไม่ได้พูดโกหกนี่คือลักษณะของการพูดโกหกที่เรียกว่ า, าบางทีเ่เราเราเราต้องพูดชัดเจนนะอ ย, อย่างพระเอด้วยกันเองอย่างเงี้ยเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากว่าถ้าเขามานิมนต์ไปอย่างเงี้ยแต่เราไม่ใช้คําว่าอยากเลยไม่อยากไป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 เราต้องแยกประเด็นเรื่องของกฎหมายกับเรื่องของศีลธรรมด้วยอย่างเรื่องนี้ในกรณีนี้ศีลธรรมเนี่ยไม่ผิดแต่ในกฎหมายบ้านเมืองมางทีอาจจะมีความผิดอันนี้เราต้องแยกกันไปครับคือทางธรรมเนี่ยเรามองเรื่องของเจตนาว่าเป็นกรรมที่พระพุทธองค์บอกว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมก็คือเอาเจตนาเป็นตัวหลัก่คครรัับบทีนี้ในเรื่องของสัมมาวาจาอันที่สองอันแรกก็คือไม่โกหก นะครับอันที่สองก็ไม่ไม่โกหกเพอเจรไม่ไม่พูดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดสอเสียดคืออะไรคำสอเสียนี่คือคำยุโยงให้แตกกันภาษาอิสานเนี่ยคำสอเสียนี่เาจะไม่เข้าใจเขาใช่ไหมครัว่าพูดสอมสอสมสอคือพูดยุให้แตกกันสอมสอประมาณนี้นะตอนที่เอามาทราบมาเพราะฉะนั้น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 หนึ่งหรือเปล่าไหมถ้าเขาเขาบอกว่าโอ้ยผมก็เสนอเสนอความจริงไม่ได้ไม่ได้พูดโกหกผู้ของคุณแต่คุณพูดส่อเสียดครับคุณผิดมิจฉาปิดผิดมักแปดรับไม่องแปดในข้อสามาาจารเพรื่อนั้นถ้าสื่อเนี่ยไม่เอาความไม่ดีของคนอื่นมาพูดครับนะเพื่อเจตนาว่าให้เขาแตกกันนะไม่ทํานะแล้วก็เอาข้อดีของคนอื่นเนี่ยมาเผยแผ่อันเนี้ยสังคมจะไปได้คือพ่อ หมอโนตุบงลองคิดดูถ้าเราเห็นคนนี้เขาก็ทําความดีคนนั้นเขาก็ทําความดีไอ้ น, นี่เขาทำแต่เรื่องดีไว้รเรามันจิตอึกเขิมที่จะทําความดีใช่ครั บ, รบแต่ถ้าเราเห็นแต่คนนี้ก็โอ้โหทําความไม่ดีอันนี้ก็นุ่งโป๊เลยเกินอันนี้ก็ทําแต่เรื่องแย่ๆใช่ครับเอ๊มธรรมดาเลยเราทําบ้างจิตเป็นอักอุ่นอ่ะมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าอันนี้พุทธวจนะยืนยันไปเลยว่าครับเมื่อเธอตรึกตามตรองตามถึงสิ่งใดได้มากจิตย่อมน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้น เพราะนั้นเราเห็นสือนี่ว่าคนนั้นก็ว่าอย่างนี้คนนี้ก็ว่าอย่างนี้มันก็คิดมากตรึกมากตรองมากตามมากจิตก็จะน้อมไปอย่างนั้นน้อมไปในเรื่องอคุณชนเพราะฉะนั้นอาจมาจึงบอกว่าหนังสือพิมพ์ที่หัวสีนี่โยนทิ้งไปเลยไม่ต้องอ่านอ่านแต่เรื่องที่มันดีอ่านหนังสือพิมพ์ที่หรือว่าเศษข่าวที่ดีเอาความดีของคนอื่นมาเผยแพร่ออย่างนี้จะเป็นเรื่องดีครับนนี้สําคัญนะครับอืมองว่าตัวสื่อเองก็ต้องสังคายนาตัวเองด้วยช เพราะว่าจริงๆแล้วมีมีผลต่อต่อจิตใจต่อวิธีการดำเนินชีวิตของผู้คนมากนะครับครับแล้วก็ประการที่2คือเรื่องของการพูดสอเสียดเนี่ยนะครับเรื่องของสื่อก็อันหนึ่งเรื่องของการพูดสอเสียดยังมีอกปเด็นหนึ่งคือคนที่ไม่พูดสอเสียดเนี่ยคือคนที่พูดวาจาไม่ส่อเสียดเนี่ยครับคือคนที่พูดวาจาที่สมัรสมานสามัคคีกัน เป็นคนที่ยินดีในความร้องเรียงพอใจในความร้องเรียงกล่าวแต่วาจาที่ทําให้เกิดความร้องเรียงกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณกล่าววาจาที่ทําให้เกิดความร้องเรียงกันเนี่ยไปได้ครับบางทีคุณเอาความจริงมาตีแผ่ถูกเอาความไม่ดีของเขามาพูดนิดหนึ่งได้แต่เจตนาเพื่อให้เกิดความร้องเรียงกันอ๋ออันนี่ถึงจะเรียกว่าสื่อทําถูกต้องครับเป็นกุศลมากกว่าเป็นกุศลใช่ครับ อันนี้มีคําเรียกเฉพาะไหมครับท่านคํานี้มีบทบัญญัติอะไรไหมครับว่าคนที่พูดดีทําให้เกิดความสามัคคีอย่างเนี้ในพุทธว จ, จนะมีมีการว่าพระพุทธเจ้าใช้บทเป็นชนะยาวอย่างนี้ว่าครับเธอไม่เอาวาจานะไม่กล่าววาจาที่ทําให้เกิดความแตกแยง่งขัดแย้งกันไม่นําความข้างนี้ไปบอกฝ่ายโน้นให้แตกจากฝ่ายนี้ไม่นําความข้างนี้ไปบอกฝ่ายน้อยให้แตกจากฝ่ายนี้ ฝ่ายโน้นนะแต่เป็นผู้พอใจในความรำเปลี่ยงยินดีในความรำเปลี่ยนกล่าวแต่วาจาที่ทําให้เกิดความรำเปรียงกันอันนี้คือบุคคลที่ปฏิบัติตามอ่าไม่กล่าววาจาส่อเสียดใช้คําว่าไม่กล่าววาจาส่อเสียดคือกล่าววาจาที่ทําให้เกิดความรำเปรียงกันครับครับโอเคนี่คือเรื่องของวาจารำเปรี่ยงกันครับเพราะฉะนั้นสังคมเราจะสามารถขี่กันมากขึ้นครันะเอาแค่ในครอบครัวกัน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 เป็นวาจาที่หยาบประคายหูอัญชางเมืองไม่ใช้กันเป็นวาจาที่กระทบกระเทียบเบียดเบียนไม่เป็นไปเพื่อสมาธิครับกระทบกระเทียบเบียดเบียนไม่เป็นไปเพื่อสมาธิครับทีนี้วาจาหยาบเนี่ยคำหยาบเนี่ยกับวาจาหยาไม่เหมือนกันนะคําหยาบเนี่ยคือคำที่สมัยพ่อคุนสมัยพ่อขุณรามกำแหงซึ่งสมัยพ่อขุณรามกาแหงเนี่ยเขาเป็นวาจาที่สุภาพนะครับ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 เชื้อเฉือนการใช้ภาษาสุภาพมาแต่มาเชื้อเฉือนเป็นวาจาที่กระทบกระเท็บเบียดเบียนไม่เป็นไปเพื่อสมาธิฟังแล้วจิตแตกเลยออืก็มีหประเด็นนี้สําคัญนะครับแต่แต่เป็นวาจาที่สุภาพครับการใช้ภาษาสุภาพคเอาไว้เราต้องแยกเรื่องการใช้ภาษาออก<ม>นะเรื่องการคําหยาบหรือการใช้ภาษาแยกออกไปถ้าเนื้อหาธรรมะของสัมมาวาจาในส่วนของคําหยาบเนี่ยคือวาจาที่เป็นไปเพื่อสมาธิคุณพูด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 ก็เป็นเป็นอันหนึ่งที่จะเกิดขึ้นได้ในในในความเป็นไปของมนุษย์ครับให้มองเป็นธรรมดาธรรมดาเห็นความเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาค่อยๆน้อมไปอันนี้ต้องใช้ศิลปะมากไหครับใช่ครับอะไรมามองว่านักกันเบืองบางคนก็ทำได้ใช่ครับก็ต้องการกันเมืองเจ็ดเจ็ดติที่เป็นกุศลใช่ใช่ครับเรื่องของคำหยาบก็จะมีตรงนี้ แล้วก็วาจาที่เป็นไปเพื่อสมาธิอันนี้ต้องต้องเน้นย้านิดหนึ่ ง, งวาจาใด<น>ประเด็นที่สําคัญที่พูดแล้วเนี่ยไม่เป็นการกระทบกระเทือนเปลี่ยนเป็นไปเพื่อสมาธิโดยเฉพาะยิ่งคนในครอบครัวแตาว่าครับพ่อแม่ลูกพี่น้องอเนี่ยต้องพูดกันทีดีรเรารู้เราอยู่กันมาตั้งนานรู้กันว่าคนนี้เป็นยังไงอ่าเราก็ไม่พูดวาจาที่ทําให้เขาเจ็บใจ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 ห้าวช a j สุภาษิตเนี่ยมีทั้งหมด10ข้อนะสิข้อเลยนะครับห้าในยะห้าข้อ2องในยะครับกล่าวแต่วาจาที่เป็นจริงเป็นจริงเท่านั้นไม่กล่าววาจาเท็จกล่าวแต่วาจาที่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ครับกล่าวแต่วาจาที่น่ารักแก่ผู้ฟังเท่านั้นไม่กล่าววาจาไม่น่ารักครับกล่าววาจาที่เป็นจริงเท่านั้นไม่กล่าวอาจาหลอกแหลกครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นหลักของสุภาษิตวาจาเป็นคําพูด สุภาษิตเนี่ยสุแปลว่าดีครับภาษิก็คือคําพูดก็เป็นคําพูดที่ดีครับคือคนที่พูดไม่ดีเนี่ยนะเราจะมีประเด็นคือพูดเรื่องเพอเจอร์ก่อนใช่ครับจะได้สรุปเก็บตกเพอเจอร์ครับเรื่องเพอเจอร์เนี่ยคือคําพูดที่เพอร์เจอร์ไม่เป็นจริงไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยไม่เป็นจริงนี่จะเป็นข้อพูดเด็บเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยครับไม่ไม่พูดเรื่องธรรมะไม่พูดเรื่องวินัยแต่เป็นเป็นวาจาที่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 บางทีพูดแล้วไม่มีคนฟังนะฮะไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงอยู่ๆคุณพูดไม่ได้ยังไงอย่างพวกวิกิพีเดียเนี่ยอที่ว่าอยู่ๆใครๆก็อัปเดตได้ใช่ไมใ่คบางเรื่องนะหมอรัตพงศ์ไอ้ที่เขาอัปเดตอยู่ในวิกิพีเดียเนี่ยคนนี้เอาไปอัปเดตอยู่ๆมันคิดขึ้นมาใช่ไหมคนอื่นเอาไปใช้ใช้ใช้ใช้กันจนทุกคนเนี่ยเห็นว่าเหมือนกาเป็นเรื่องจริงขึ้นมาอืมเพราะว่าวิกิเท่านั้นเองสร้างขึ้นมาใช่อุปโหลดขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็เลยเลยเป็นวาจาเพรสเจอร์ไปครับ เรื่องวาจาเพรเชอร์ตรงนี้เนี่ยมักจะมีในวงเล่าครับวงเล่าครับซึ่งผิดศีลอยู่แล้วข้อห้าครับซึ่งตรงนี้ศีลเนี่ยข้อที่ห้าที่หมอนในดวงพูดถึงเนี่ยนะบางทีพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาออกแล้วใส่สามข้อของสัมมาวาจาเข้าไป<อ>นะคือข้อข้อที่4ี่เนี่ยคือเรื่องของการพูดเท็จใช่ครับข้อนี้ก็คงไว้นะเอาข้อห้าคือเรื่ององการดื่มน้ำเมาออกแล้วใส่ วาจาที่ไม่สอดเสียดวาจาที่ไม่หยาบวาจาที่ไม่เพ้อเจ้อเข้าไปใช่เพราะว่าคนที่เมาแล้วเนี่ยคนที่ดื่มเหล้าเมาเนี่ยจะมีวาจาเพ้อเจ้อจะมีวาจาสอดเศษจะมีวาจาหยาบครับมักจะพูดอย่างนั้นซึ่งตรงนี้คือพระพุทธเจ้าใช้คํานี้ว่าเว้นจากการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมไรออันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทครับประมาทดื่มมากจนประมาทประมาทคุณออะไรมาวัด ขาสติขาสติเออะไรมาวัดอืมอาจจะเป็นคําพูดที่อ่าก็ตรงนี้คือพระพุทธเจ้าใช้วาจาครับนะก็คือวาจาที่ไม่ส่อเสียดไม่หยาบไม่เพ้อเจริญเป็นการวัดมากคุณยังมียังไม่ประมาทอยู่ไหมเพราะฉะนั้นบางทีพระพุทธเจ้าเอาตรงนี้ออกนะเอาเรื่องของล้ำเมาออกแล้วเอาสัมมาวาจานี้ใส่เข้าแทนจะพบได้อยู่แต่ไม่มากนะครับเคยพบอยู่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องของสัมมาวาจาตรงเนี้ยจึงสําคัญมากว่า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 ภิกษุเป็นยังไงครับท่านพิกษุกลุ่มหนึ่งที่นำสกุลอนุรุทธะเนี่ยเขาไปอยู่ด้วยกันในในป่าเราพระพุทธเจ้าก็ไปเยี่ยมครับเขาก็เลยมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ารายงานให้ฟังว่าอยู่กันเป็นยังไงอะไรงี้ก็มีตอนหนึ่งที่เขาพูดถึงว่าเนี่ยข้าพระองค์เนี่ยทําตามมารจิตของคนอื่นครนะไม่ทําตามมารจิตตัวเองเพราะนั้นจึงอยู่กันได้ก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราข้าพระองค์เนี่ยจึงสามัคคีกันดุดน้ํานมเข้าด้กับน้ําอเอ ก็จึงสามเมืีกันอยู่ได้เพราะว่ามีเหตุปัจจัยหลายอย่างในในกลุ่มของภิกษุผู้นั้นเนี่ยก็จะหนึ่งคุยธรรมะกันจนตลอดรุ่งทุก4ีถึงหคืนปฏิบัติตามวาลจิตของผู้อื่นไม่ปฏิบัติตามวาลจิตของตัวเองไม่มีการปฏิบัติเปลี่ยนเป็นการจากเรื่องนี้แล้วก็อยู่ตามมีตามได้ในเรื่องของปัจจัยทั้ง4ี่จึงสามเมืกีกันอยู่ได้ดุดน้ํานมเข้าในกะน้ำ ต้องเป็นองค์ธรรมหลายหลายประการทีเดียวนะครับใช่ใช่ครับทีนี้เรื่องของนี่คือสัมมาวจาครับสัมมาวจาร์ที่เป็นใหญ่เลยครับครบถ้วนบริบูรณ์อยู่ครับคือถ้าทํามากๆสัมมาวจาเนี่ยมิจฉาวาจานะทำมากๆก็จะเป็นไปเพื่อนรกกาเหมือนเดริชาลปรตมิสัยครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทําสัมมาวจามากๆเนี่ยเราก็จะอยู่ในมรรคละอยู่ในทางละคือเจริญองค์ธรรมในสิ่งที่เราพูดใช่ครับ แล้วคนที่จะพูดอย่างบางครั้งเนี่ยเราจะรณรงค์ให้ใช้บทเพลญชนะของพระทธเจ้าเนี่ตรงนี้เราเป็นการฝึกสติด้วยคใช่ครับเป็นการเจริญสติคือสัมมาสติไปพร้อมกันใช่ครั บ, รบอตอนนี้เวลาในวันนี้ก็ใกล้หมดลงแล้วใกล้จบลงแล้วก็สรุปตรงนี้ให้ท่านผู้ฟังฟังอย่างนี้ว่าวันนี้เรากล่าบถึงเรื่องของสัมมาวาจาใช่ครับ สมมาวจาก็จะมีแง่มุมที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำเหมาด้วยใช่ครับถึงข้อที่ห้าเราก็สมมาวจาที่แง่มุมของการโกหกที่บางทีเราก็นิ่งอยู่สะบั้นคดีสมมาวจาที่เกี่ยวข้องกับวาจาสุภาษิตวาจาสุภาษิตวจาทุภาษิตตรงนี้เราก็ยังพูดถึงเรื่องวาจาของสัตว์ปรุษคือคนดีวราจะพูดเป็นยังไงพูดถึงเรื่องของสื่อด้วยที่ว่าสื่อเนี่ยเป็นผู้ที่เอา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 เพียงก็วันนี้เรื่องสมาวาราเราจบไปแล้วนะครั บ, รบต่อไปท่านผู้ฟังเราจะมาพูดถึงเรื่องของสมากรมรมตาบสมากรรมตานะกสมาอาชีวะ ค, คิดว่าอาจจะร่วมกันไปได้แล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังมีความเห็นในประเด็นอะไรก็แล้วแต่ที่เราคุยกันมานะส่งมาได้ที่เว็บดอทเพียวธรรมะดอทคอมเราแล้วก็รวมทั้งคำถามข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะหรือว่าความรู้อะไรใหม่ๆที่ต้อง การนำเสนอหรือแชร์ให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นทราบก็ส่งกันมาตอนหน้าจะเป็นตอนที่5ใช่ครับตอนนี้ตอนที่4ี่คิดว่าจบเท่านี้ท่านผู้ฟังก็อย่างที่ว่านะให้ส่งมาทางเพียวธรรมะดอทคครับครับก็กราบน้ำมการพระอาจารย์ภัยบูลนะครับสวัสดีครับ